ว่าตัเองทุกเพราะว่าเป็นคนคิดเยอะค่ะคิดมากคิดตลอดเวลาแล้วมันบรเราถูกความคิดดูดเข้าไปเราไม่ได้เป็นใจหรือจิตแรมแท้ที่ที่มีความรู้อยู่แต่เราการไปเป็นคนคิดเราการไปเป็นคนคิดเราไม่เป็นใจที่ที่ไม่ปรากฏอาการอะไรได้แต่รู้คิดที่ปรากฏอาการ แล้วเวลารู้สึกว่าตัวเองคิดเยอะควรจะทำยังไงดีอะคะก็ให้เ <Bei> ห็นว <th> ่าความคิดเยอะนั้นเน่ยตัวเราที่รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนคิดเยอะตัวเราที่เป็นคนคิดเยอะนั้นเป็นเพียงแค่ความปุงแต่งที่ความคิดที่คิดว่าตัวเรามันมีความคิดหรือก็คิดว่าตัวเราี่ยคิดเยอะไอ้คิดคิดก็คิดว่าตัวเราเป็นคนคิดเยอะมันก็เป็นความคิดคิดว่าตัวเราคิดเยอะ แต่ความคิดที่คิดเยอะก็เป็นความคิดและที่คิดว่าตัวเราคิดเยอะมันก็เป็นความคิดแต่เหนือความคิดคือใจที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความคิดเป็นความปรุงแต่งแต่ตัวมันไม่ปรุงแต่งเราเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแต่เรากลับไปเป็นความคิดที่เราคิดว่าเราคิดเยอะเราคิดเยอะแล้วเราก็คิดคิดคิดคิดคิดเรากลายไปเป็นโหนคิดตลอดเลยที่จริงเราคือความว้างเปล่าคิดไม่ได้ได้แต่เห็นว่า จิตเนี่ยมันคิดปรุงแต่งแต่เราไม่ปรุงแต่งทุกสรรพสิ่งล้วนปรุงแต่งล้วนเคลื่อนไหวแต่เราไม่ปรุงแต่งเราไม่ใช่ว่าตัวเราบังคับตัวเราเนี่ยทําให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งนะคือเราเนี่ยเป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้ๆที่ปรุงแต่งไม่ได้เป็นความว่างเปล่าแต่เราไม่รู้จักตัวเราเองดิก็บอกว่า มีหนังอน่ยเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบดูมากเลยเรื่องเรื่องโพธิธรรมหรือตักมอเนี่ยเอที่อ้แอมตกมาเนี่ยพระเอกอะตักมอเนี่ยเดิมที่เดิมเป็นองค์ชายสามตกต้นไม้ลงมานอนนอนนอนเล่นอยู่บนต้นไม้แล้วก็ตกลงมาแล้วก็ลวงมาปุ๊บเอาไปอยู่ไปอยู่หลงอยู่ในเมืองไหนนี่ตะหมะอกปกคลุมเต็มเลยแล้วก็มีพระมานั่งห่มกุมโปงแล้วถามว่าท่านคือใครเราเนี่ยก็คือเจ้า เจ้าไม่รู้จักตัวเจ้าเองนะทำไมเจ้าไม่รู้จักว่าเราก็คือองค์ชายสามเจ้าไม่รู้จักตัวเจ้าเองอ่ไอตัวที่เราคิดว่าเราเป็นตัวปรุงแต่งเราพูดได้เนี่ยเหมือนกับเอยไม่รู้จักว่าเรานี่คือองค์ชายสามแต่นี่คือไม่ใช่ตัวเราตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเราที่ที่ตัวเราคิดเยอะตัวเราคิดเยอะเราที่แท้จริงมีแต่ความรู้คิดไม่ได้มันเป็นธรรมชาติ ที่คิดไม่ได้ที่ปรุงแต่งไม่ได้มันมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความรู้ที่เป็นพุทธะรู้ที่เป็นพุทธะรู้ยังไง ร, รู้ตื่นรู้เบิกบานตื่นก็เพราะว่ารู้ตื่นจากความหลงหลงยึดถืออะไรแล้วจึงเบิกบานไม่มีอะไรมามีอํานาจเหนือใจทาให้ใจเ่ร้าเศร้าหมองแล้วก็มันได้แต่รู้ว่าตัวมันเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้ไม่ปรากฏอะไรปรุงแต่งแต่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกทั้งสิ่งใดไปภายนอกภายนอกร่างกายเราทั้งตัวร่างกายเรา ตั้งจิตใจที่มีความคิดปรงแต่งได้สิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงแตกดับทําลายไปในที่สุดไม่มีสิ่งใดเที่ยงมีแต่พุทธะหรือใจหรือตัวเองเท่านั้นเนี่ยที่ไม่แตกไม่ดับไม่เกิดไม่ทําลายไม่มีอะไรเลยมันไม่แตกทําลายได้เพราะมันไม่มีสิ่งใดเกิดไม่มีอาการใดปรากฏมีแต่ความรู้แตกดับทําลายไม่ได้นั่นแน่เราดั้งเดิมแท้แต่เราไม่รู้ว่าเราดั้งเดิมแท้คือใครเราไปกับเอาไอ้ตัวเราที่เป็นร่างกายนี่ แล้วก็เป็นตัวเราที่มันคิดได้ว่เาเนี่ยทำไมเราถึงคิดเยอะเราทําไมเราจึงคิดเยอะเราทำไมคิดเยอะไอตัวคิดเยอะมันเป็นตัวปรวงแต่งตที่บาแต่อาร่างกายนี้แต่พอร่างกายนี้สิ้นลมหายใจเฮือกเฮือกหายใจไม่ออกไอตัวนี้คิดไม่ได้นะแต่อาตัวนั้นยังไม่ตายตายหมดไอาร่างกายเนี่ยแตกดับหมดไอตัวที่คิดเยอะแตกดับหมดแต่พุทธะไม่เคยดับเลยไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายเพราะมันไม่มีตัวตนความรู้นี้เป็นอมะตะ เราไม่รู้จักว่าเราเป็นใครเราไปเอาไอ้ตัวที่พูดได้คิดได้เนเป็นตัวเราที่มันต้องแตกดับไปทุกชาติแล้วเราก็ไปสร้างใหม่แตกดับไปทุกชาติล้วไปสร้างใหม่แล้วไปแตกดับเราอาจจะเกิดเป็นสัตว์เลฉันสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกไปเป็นเป็ดเป็นสุรกายที่เป็นคิดได้แต่ก็คิดอย่างเป็ดคิดอย่างสุรกายคิดอย่างหมาคิดอย่างแมวคิดอย่างนกคิดอย่างงูพอมาเกิดเป็นรูปร่างของจีก็คิดอย่างจี คิดว่เราคือหีนี่คือพ่อนี่คือแม่นี่คุนดคุณ น, นี่นี่พอเราไปเกิดเป็นหมาแมวอ๊ะนี่คือพ่อเราตัวใหม่นี่คือแม่ตัวใหม่นี่คือมียตัวหม่ผัวตัวใหม่นี่คือนี่คือเราตัวใหม่พอไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานอ่ารูปร่างตัวเราเป็นอย่างนี้เลื้อยคลานแล้วก็มีเป็นตัวนี้ตัวใหม่ตัวอะไรเราเปลี่ยนถ่ายไป็ร่างไปเยอะแล้วเออเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงตัวอะไรที่แท้จริงเราไม่รู้ว่าเราคือใครใครคือเราเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเนี่ย เราไม่รู้วก่อนมาเกิดเนี่ยเราคือใข่เนี่ยก่อนมาเกิดเป็นรูปร่างแบบเนี้ยเราคือใครเกิดมาแล้วเนี่ยเนี่ยใครคือเราในร่างกายนี้ก่อนมาเกิดเนี่ยใครคือเราเราไม่ได้มีรูปร่างมาโผล่มาแล้วมาเป็นหญินั่งลอยหอกมาจากหอกมาปุ๊บมาโผล่ตัวขนาดนี้เลยเมื่อไหร่ใช่ไหมไปดูรูปเล็กๆดิเราไปยังเห็นเลยรูปที่ตั้งอยู่ในห้องนอนอะ่ะ <c oughs> เออตัวเมื่อก่อนยังไม่มีรูปร่างแบบนี้เลยเออรูปร่างมันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เราแท้จริงเนี่ยที่อยู่ในตัวเนี้ยคือพุทธะเนี่ย ไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะไม่เคยแตกไม่เคยดับไม่เคยเกิดไม่เคยทําลายแต่มันเพราะความยังไม่เป็นพุท ธ, ธะมันยั ง, งโง่อยู่จกงเรียกว่าอวิชชามันเลยหลงจีดถือเอาร่างใหม่ที่มันพูดได้คิดได้ติดต ong ได้โกรกเศ้าเสียใจเป็นตัวเราทุกชาติไปเราเลยลืมว่าก่อนมาเกิดเนเราคือใครอ่ะเพรมาเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเราคือใครในร่างกายเราเนี่ยนั่นเนี่ยเรียกว่าอวิชชาคือความงโง่และพอเข้าใจอย่างนี้แล้วชีวิตก็มาอยู่ยังไงก็จงเป็นพุท ธ, ธะแต่ไม่ใช่ว่า เข้าใจผิดอีกว่าตัวเหล่านี้คือไอ้ขันห้าเนี่ยร่างกายที่มันคิดติดตองได้เนี่ยทั้งตัวเนี่ยเป็นพุทธะไปผิดเอกเข้าใจผิดประยุึดเอาเราคือพุทธะแล้วก็รักษาความเป็นพุทธะไว้เราคือความว่างเราคือความว่างเราคือพุทธะเออเลยเป็นแี้กลายเป็นคนเออคิดอะไรไม่ออกอ่ะอยู่เหมือนแบบว่าเออถ้ารูอะไรก็เฉยรู้อะไรก็เฉยเออเลยแบบเนี้ยแยกไม่ออกระหว่างขันห้ากับพุทธะไอ้ร่างกายที่มันที่มันมีความคิดติดตองปรุงแต่งได้มันเป็นขันห้าคือปรุงแต่ง กับพุทธะคือความไม่ปรุงแต่งแยกไม่ออกเลยที่ท้ายเอาไอ้ตัวขันห้ามาเป็นพุทธะซะเอาตัวขันห้าเนี่ยตัวที่ปรุงแต่งได้มาทําให้มันว่างรู้อะไรแล้วว่างเออเฉยรู้อะไรแล้วว่างเออเฉยมันไอขันห้ามันปรุงแต่งมันเป็นตัวทํางานแต่ไอพุทธะมันรู้แต่มันรู้การทํางานตัวมันไม่ทํางานแยกให้ออกพุทธะที่อยู่ในล่างแล้วเนี่ยเป็นตัวรู้ว่าไอตัว ตัวขันหน้าเนี่ยเป็นตัวทํางานแต่พุท ธ, ธะเป็นตัวรู้ไม่ใช่เป็นตัวทํางานมันคนละตัวกันแต่พอมาปฏิบัติธรรมก็ใจผิดเอาไว้ตัวปรุงแตง่งให้มันไม่ทํางานรู้อะไรแล้วทําเป็นเฉยรู้อะไรแล้วทําเป็นเฉยสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขารู้อะไรแล้วเฉยทํจำจางรู้เป็นอุเบกขาโอ้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด่าแรงมากเลยว่าโง่ดักนานแล้วจานจะโง่ดักนานมากี่พกี่ชาติเน่น่เ น, น่คนูกโ ด, โ ด, ดนด่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ย โตตว่าสาั่นเลยเสียงเขียวเลยโง่อะไรนะอะไรนะว่าไงนะเห็นไหมตงนี้เขาโง่ตายชักจะโง่หมดเลยไม่ได้อย่างงั้นเนี่ยต้องเข้าใจถูกตัวโลกตัวพุทธะตัวความรู้คือไม่รู้รู้แบบไม่ไม่ยึดมันไม่สามารถยึดอะไรได้ตัวมันไม่ปรุงแต่งอะไรได้ยึดอะไรไม่ได้มันเป็นความว่างเช่นเดียวกับว่างธรรมชาติ แต่ขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งต้องใช้ทํางานเต็มกําลังความสามารถเรียนรู้ทําความเข้าใจมันจึงเลี้ยงจึงเรียนได้เป็นปริญญาตรีปริญญาโตปริญญาเอกเรียนกี่กี่ใบก็ได้เพราะมันเอาตัวขันหน้าทํางานแต่ใจแท้หรือจิตตั้งเดิมแท้หรือพุทธะเนี่ยมันทํางานไม่ได้มันได้แต่รู้ตัววาตัวมัวมวมนอะปรุงแต่งไม่ได้ยึดอะไรไม่ได้แตข่ขันเออขันห้าเป็นธรรมชาติปรุงแต่งหนูก็ใช้เต็มกําลังเต็มส ต, ตีมความสามารถมีบุญบา ร, รมีเท่าไหร่เนี่ย มันก็ต่อเพิ่มบุญารมีขึ้นละในภพชาตินี้ก็ละบาปไปที่ ด, ดีผูด้ดีทําดีอย่างพี่หนูเนี่ยปรารถนาดีช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอื่นเนี่ยเนี่ยอันนี้ดีถูกต้องเลยแล้วก็ขั้นที่ขั้นสูงสุดก็คือมีปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงที่หลวงตาพูดนี่ให้รู้ว่าเออธรรมชาติปรุงแต่งก็ใช้งานไปธรรมชาติไม่ปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเราก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งตลอดไปตายแล้วก็เป็นพุทธะเป็นอมตะเป็นความรู้ที่ไม่ยึดถืออย่างเป็นอมตะ บุญ บ, รบรารมีเก่าเนี่ยบาปหรือบุญเก่าเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นมาแล้วทุกคนแต่ปัจจุบันแก้ได้ทําเหตุในปัจจุบันให้ดีเพราะเหตุปัจจุบันมันก็จะเลื่อนไปเป็นอดีตอดีในที่ไหลไปจากปัจจุบันอดีตมันก็ไหลไปในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเป็นความดีเป็นความถูกต้องอดีตมันก็จะไหลไปเป็นความดีความถูกต้องอเมื่อปัจจุบันทําเหตุเป็นความดีความถูกต้องอานาคต มันก็จะเป็นความดีความถูกต้องความดีความถูกต้องทําในปัจจุบันอดีตก็จะดีเองอนาคตก็จะดีเองไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวจะไปทําในอนาคตไม่ต้องไปเสียใจกับอดีตทําเหตุปัจจุบันความดีความถูกต้องก็จะไหลไปเป็นอดีตเมื่อในปัจจุบันเป็นความดีความถูกต้องอนาคตก็จะเป็นความดีความถูกต้องจงทําเหตุในปัจจุบัน